สิขาบทวิพัง1น1่งรคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคาว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุนั้นรู้เองหรือผู้อื่นบอกให้ภิกษุนั้นรู้ คำว่ารถคือภิกษุรถเองต้องอบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้รถคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้รถต้องอบัติปาจิตตีผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่รถหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตี